เป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ย่อมพ้นภัยคือทุกติทั้งปวงทุกติพยสูตรที่สจบ 5. ทุกติวินิปาตะพยสูตร ว่าด้วยทมที่พ้นภัยคือทุกติและวินิบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมพ้นภัยคือทุกติและวินิบาต ท, ทั้งปวงธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินนัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น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 ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ย่อมพ้นภัยคือทุกติและวินิบาทั้งปวงทุกติวินิปาตะพยสูที่ห้าจบ 6. ปฐมมัมิตามัจจสู ว่าด้วยการชักชวนมิตรอมมาตสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมมาตญาติสาโลหิตก็ตามให้ความสาคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการอะไรบ้างคือ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 3. เธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวนไหว้ในพระสงฆ์ 4. เธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมาตญาติสาโลหิตก็ตาม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 สมะเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นเดาวดึงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นเทพชั้นเดาวดึงจำนวนมาก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 การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดีเพราะประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เทพเหล่านั้นกล่าวว่าท่านโมคลานะผู้นิรุตุกหนึ่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่า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 จึงจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ปฐมเทวจาริกสูตรทีท่8จบ 9. ทุติยเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่สอง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 ตติยะเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่สครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายพระองค์จากพระเชตวันไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษผู้มีกาลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นเทพชั้นดาวดึงจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 เพราะการประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นเหตุหมู่สัตว์นี้จึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าตติยะเทวจาริกสูตรที่10บจบราชาการามวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สหัสสะพิคุณีสังคสูตร 2. พรามณสูตร 3. าอนันะเทระสูตร 4. ทุกติพยสูตร 5. ทุกติวินิปาตะพยสูตร 6. ปฐมมะมิตามัจจะสูตร 7. ทุติยามิตามัจจะสูตร 8. ปดปฐมเทวจาริกสูตร 9. ทุติยเทวจาริกสูตร 10. ตติยเทวจาริกสูตร สารา น, านิวัตรหมวดว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่าสารา น, านิหนึ่งปฐมมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสูตรที่หนึ่งเขาพป็เจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขกรุงกระเบพัดแควนสักกะครั้งนั้น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 เวลาเย็นเข้าไปยังกรุงกระ บ, บิลพัส์พบเห็นช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างกุยเย็นบ้างผู้คนบ้างที่พลุกพล่านขวักขว่สมัยนั้นหม่อมฉันลืมสติปรารพพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์หม่อมฉันคิดว่าหากเราถึงแก่กรรมในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่าทรงกลัวเลยมหาปพิธอย่าทรงกลัวเลยมหาปพิธการสวรรคตของพระองค์จกไม่เลวซามการละกิริย า, าก็จะไม่เลวซามมหาปพิธจิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้เจริญด้วยศรัทธาที่ได้เจริญด้วยศีลที่ได้เจริญด้วยสุตตะที่ได้เจ ร, ร, ริญด้วยจาคะและที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานกายนี้ของผู้นั้น คุมกันเป็นรูปร่างที่ประกอบขึ้นจากมหาพุตธ ร, รูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะเข้าสุขและขนมกลุ่มมากไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟนมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดากาบ้างแร้งบ้างนกตะกรุมบ้างสุนัขบ้านบ้างสุนัขจิ้งจอกบ้างสัตว์หลายชนิดบ้างย่อมกัดกินกายนี้ ส่วนจิตของผู้นั้นที่ได้เจริญด้วยศรัทธาละถึงและที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานย่อมสูงขึ้นไปจนถึงบรรลุคุณวิเศษมหาบาพิษบุรุษดำลงในห้วงน้ำลึกแล้วทุบหม้อเนอยใสหรือหม้อน้ำมันก้อนกรวดหรือกระเบื้องหม้อนั้นพึงจมลงส่วนเนยใสหรือน้ามันในหม้อนั้นพึงลอยขึ้นเหนือน้าแม้ฉันใด จิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้เจริญด้วยศรัทธาละถึงและที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานกายนี้ของผู้นั้นคุมกันเป็นรูปร่างที่ประกอบขึ้นจากมหาภูต ร, รูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญไวเพราะเข้าสุขและขนมกลุ่มมากไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกรกระจายไปเป็นธรรมดากาบ้างแรงบ้าง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 อย่าทรงกลัวเลยมหาปพิธอย่าทรงกลัวเลยมหาปพิธการสวรรคตของพระองค์จะไม่เลวสามการกกิริยาก็จักไม่เลวสามพระมะมหานามสูตรที่หนึ่งจบ ติยมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขขุรงกรบิละพัทแขวนสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้ว ระทับนั่งนัดที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกรุงกระบินลพัฒนนี้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีถนนคับแคบหมอมฉันนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคหรือภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจเวลาเย็นเข้าไปยังกรุงกระบิลพั์พบเห็นช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเกลียนบ้าง ผู้คนบ้างที่พลุกพล่านขวักไขว่สมัยนั้นหม่อมฉันลืมสติปรารบพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์หม่มอมฉันคิดว่าหากเราพึงถึงแก่กรรมในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาปิอย่าทรงกลัวเลยมหาปิฏย การสวรรคตของพระองค์จกไม่เลวสามการและกิริยาก็จกไม่เลวสามมหาปพิธอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมน้มไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้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 อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ย่อมน้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานทุติยมหานามสูตรที่สองจบ 3. โคทักกสูตร ว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่าโคทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพั์ครั้งนั้นเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปหาเจ้าสกยะพระนามว่าโคทาถึงที่ประทับแล้วได้ตรัสถามเจ้าสกยะพระนามว่าโคทานั้นดังนี้ว่าโคทาพระองค์ทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรว่าเป็นพระโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าเจ้าโคทาสักยะตรัสตอบว่ามหานามะหมอมฉันทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าธรรมสามประการอะไรบ้างคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมหานามะมอมชันทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้ามหานามะส่วนพระองค์ทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่ว่า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 ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิโคธาม่อมฉันทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าช้าก่อนมหานามะช้าก่อนมหานามะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นพึงทรงทราบบุคคลนั้นว่า ประกอบหรือไม่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้มาเถิดโคทาเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเรื่องนี้ลำดับนั้นเจ้ามหานามะสักยะและเจ้าโคทาสักยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรเจ้ามหานามะสักยะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์เข้าไปหาเจ้าโคทาสักยะแล้วถามว่าโคทาพระองค์ทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแนนอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถามอย่างนี้แล้วเจ้าโคทาสักยะได้ตรัสตอบว่า มหานามะมอมฉันทราบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสาเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าทำสามประการอะไรบ้างคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น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 มอมชั้นทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมามประการนี้ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าส่วนพระองค์ทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเจ้าโคทาสักยะตรถามอย่างนี้แล้ว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 พระผู้มีพระภาคเท่านั้นพึงทรงทราบบุคคลนั้นว่าประกอบหรือไม่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตกุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในพระธรรมวินัยนี้โดยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่า ย, ายภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์เป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเท่านั้นขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างนี้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 พิสุนีสง์อุบาสกอุบาสิกาชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้าพระองค์เป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเท่านั้นขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสกับเจ้าโคทาว่ามหาบพิษ พระองค์จะตรัสอะไรกับเจ้ามหานามะผู้มีวาทะอย่างนี้เจ้าโคทาสักยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มิได้กล่าวอะไรอะไรกับเจ้ามหานามะสักยะผู้มีวาทะอย่างนี้เลยนอกจากกาลยานธรรมนอกจากกุศ ล, ลธรรมโคทาสักยสูตรที่สามจบ